พุทวัตรสวัสดีค่ะท่านฝั่งที่ครบคะพุทธวันรสวัสดีท่านจะพบได้ในรายการนี้นะคะสรันนท น, นานํามาใช้แทนคําสวัสดีของเราอของคนไทยเราเพราะเห็นว่าเหมาะกับการที่จะสื่อสารว่าขณะนี้ท่านกําลังศึกษาพุทธวัจนะและพุทธวัจนะเมื่อท่านได้ศึกษาท่านได้น้อมนําออกไปปฏิบัติแล้วจะนําความสวัสดีอย่างที่สุดให้กับท่านเราก็จึง นำคำนี้มาเป็นการต้อนรับท่านเข้าสู่รายการและการต้อนรับท่านในตอนช่วงต้นของรายการก็เพื่อที่จะให้ท่านเข้าถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระาศาสดาในลักษณะเต็มพระสูตรพร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรมกันไปในคราวเดียวกันด้วยโดยพระมาร์คชาคาวโรวัฒนา ป, ปาพงลำลูกกาคลองสิบจะเป็นผู้ที่น้อมนามานะคะนมสักการะทั้นคะเจริพรวันนี้เราก็มา ประพฤติปฏิบัติตามความเพียรเผากิเลสด้วยการเจริญอาณาปณะสติกันต่อพร้อมทั้งฟังพระสูตรที่เป็นพุทธวจนะคําที่ออกจากปากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสสอนถึงการเจริญอาณาปณะสติเอาไว้ว่า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 ความคิดปรุงแต่งไปในอนาคตความสุขหรือความทุกข์ใดๆก็ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้เรารีบละความคิดนั่นเสียที่เรียกว่าการละนันทิหรือว่าการละความเพลินแล้วให้มีสติกลับมาระลึกรูก้อยู่กับลมหายใจหรืออิเรบทอื่นๆของร่างกายที่เรียกว่ากายคตาสติ อนิสง์ของอาณาปณาะาสตินี้สามารถจะดับอกุศลธรรมได้ทุกชนิดดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปณาะาสติสมาธินี่แหละอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นของดำงับ เป็นของปราณีตเป็นของเย็นเป็นสุ ข, ขวิหารและย่อมอย่างอากุศลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธ า, านไปให้รำงับไปโดยคุแก่ฐานะภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝุน่นธุลีฟุ้งขึ้น แห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุน่นทุดีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้รังับไปได้โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดพิกษุททั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้ว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 ดังนั้นหากเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอาณาปานะสตินี้ก็สามารถช่วยดับอกุศลธรรมได้สำหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาใครอยากจะปฏิบัติต่อไปก็ทำได้ใครอยากจะออกจากสมาธิเพื่อมาตั้งใจฟังส่วนถัดไปของรายการก็ทำได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาประพฤติปฏิบัติทางความเพียรเพ่ากิเลสกันต่อสําหรับวันนี้ก็หมดช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้นรรสการขอบพระคุณพระมาร์คชาคาวโรวัฒนาปะพงลำลูกกาคลองสิบท่านฟังค่ะสําหรับอาณาปานาสติในส่วนอานิสงฆ์ที่ท่านมาร์คได้อ่านในวันนี้เนี่ยนะคะที่ฉันเชื่อว่าคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์อาจจะยังไม่ทราบแต่ถ้าเคยพบกับคนที่ เขาชีวิตค่อนข้างจะมีความทุกข์เนี่ยก็คงจะเป็นเพราะอากุศลรทรรมอะไรบางอย่างเมื่อมาปฏิบัติอาณาปานาสติแล้วเขาก็บอกว่าชีวิตเขาคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะอันนี้ก็อยากจะเอามากล่าวเสริมไว้พบกับพระมากชาเขาวาโรได้ในวันพรุ่งนี้กันต่อส่วนท่านที่ยังอยู่ในอาณาปานาสติท่านก็ยังอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวพบ ก, บกับการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยกันคะ่ะ